วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่30สบพฤศจิกายนพุทธศักราช2568เป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัทมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาฟังเทศฟังธรรม มาศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อนำมาไปปฏิบัติให้เกิดผลคือความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงความสุขความสงบของจิตใจทำที่จะมาแสดงในวันนี้มีหัวข้อว่าเราเกิดกันมาได้อย่างไร อะไรเป็นเหตุที่ทำให้เรามาเกิดกันมาเกิดแล้วก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายมาพัาดพลากจากกันจากการตัดสรุของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเหตุที่พาให้เรามาเกิดกันนี้ก็คือตัณหาความอยากสามประการด้วยกัน ข้อหนึ่งก็คือกามะตัณหาความอยากกระเสบรูปเสียงกลิ่นรสผลพะชนิดต่างๆข้อที่สองคือภาวะตัณหาคือความอยากอยู่ไปนานๆอยากมีอยากเป็นอยากอยู่ไปนานๆอยากร่าอยากรวยอยากสุขอยากเจริญ ความเมื่อเราเกิดแล้วมีร่างกายแล้วก็อยากให้ร่างกายนี้อยู่ไปนานๆข้อที่สามก็คือวิภาวะตันหาความอยากไม่อยู่ไม่เป็นก็คือความอยากให้ไม่ร่างให้ร่างกายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่แก่ไม่ตายไม่ให้เราสูญเสียสิ่งที่เราลักเราชอบเช่นลาบยศเสริญ และรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนั่นเองนี่คือสามเหตุประการด้วยกันที่พาให้ดวงวิญญาณของพวกเราเวลาที่ไม่มีร่างกายจะฝ่ายหาการมาเกิดใหม่เพราะถ้าไม่มีร่างกายใจก็จะไม่สามารถหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพระได้ ใจจึงจำเป็นที่จะต้องคอยมามีร่างกายอยู่เรื่อย เ, เสียร่างกายอันนี้ไปแล้วเดี๋ยวก็ไปหาร่างกายอันใหม่มาเกิดใหม่ทำอย่างนี้มาเป็นเวลาอันยาวนานแล้วพูะเจ้าทรงตรัสว่าความทุกข์ที่ได้จากการมาเกิดแต่ละครั้งต้องหนังน้ำตานขนาดไหน ทุกคนที่มาเกิดจะต้องมีความเศร้าสูกเสียใจมีความทุกข์กันมีการหนั่งน้ำตากันพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าถ้าเราเอาน้ำตาที่เราหลั่งในแต่ละภพแต่ละชาตินี้มารวบรวมกันไว้เราจะได้น้ำตามากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทร คิดดูก็แล้วกันว่าเราจะต้องมาเกิดกี่ครั้งมาร้องห่มร้องไห้กี่ครั้งด้วยกันถึงจะทำให้เราได้น้ำตามากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรนั่นแหละคือจํานวนพพชาติของพวกเราพพชาติของมนุษย์ที่พวกเรามาเกิดกันนี่มันมีจํานวนมากมายมหาศาลจนไม่สามารถนับได้ด้วยตัวเลข ต้องเอาน้ำตานี้มาเปรียบเทียบน้ำตาที่เราสูญเสียเราหลังออกมาแต่ละครั้งในแต่ละภพแต่ละชาติถ้าเราเอามารวบรวมกันแล้ว ม, มันมากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรเสนี่แหละคือความทุกข์ของพวกเราที่เราไม่รู้กันเพราะเราไม่คิดกันเราคิดแต่เพียงอยากจะหาความสุข อยากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิถถ่นล้นโถดทภากันเพียงอย่างเดียวพอมาเกิดแล้วพอโตได้พอโตแล้วพอสามารถไปหาราบยศสรรเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นล้นได้เราก็จะมุ่งไปที่สิ่งเหล่านี้ไม่มีเวลาที่จะมานั่งคิดติดตวงว่าชีวิตของพวกเรานี้ มันสุขหรือมันทุกข์กันแน่ถ้ามันทุกข์ก็ต้องไม่สนใจเพราะเราต้องการความสุข <c oughs> เราก็จะเดินหาความสุขไปเรื่อยๆได้บ้างได้มากได้น้อยแต่ได้ไม่ไม่นานก็ต้องสูญเสียไปก็ต้องมีการสิ้นสุดลงเพราะว่าร่างกายที่เป็นเครื่องมือในการหาความสุข ของโลกกระททั้งสี่คือลาบยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนี้มันก็เป็นร่างกายชั่วคราวเป็นเครื่องมือชั่วคราวไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องสู่ความตายไปในที่สุดพอร่างกายตายไปความสุขต่างๆที่หาไดจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสก็หมดไป แล้วก็ตายไปโดยที่ไม่รู้ว่าตายไปแล้วอะไรจะเกิดขึ้นมาต่อไปนี่คือความโง่เขลาของพวกเราที่มาเวียนว่ายตายเกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกอ ย, อย่างนี้ไปเรื่อยเพราะเราไม่เคยคิดไว้ว่าการมาเกิดนี้มันเป็นทุกข์กันเรามักจะถูก โมหะอาวิชากิเลสตัณหาที่ครอบงำใจมันคอยหลอกให้เราคิดว่าการมาเกิดนี้เป็นสุขกันเพราะว่าเมื่อได้เกิดแล้วจะได้ไปหาความสุขจากลาบยศสารเสริอยากรูปเสียงกลิ่นรสกันแต่ไม่เคยมองถึงด้านลบของลาบยศสารเสริญสุขว่าลาบยศสารเสรินสุขนี้ ก็มีการเสื่อมได้เหมือนกันาลาบยศสรรเสริญสุขมีการเจริญเจริญแล้วก็อาจจะมีการเสื่อมได้มีลาบก็อาจจะเสื่อมลาบได้มียศก็อาจจะเสื่อมยศได้มีสรรเสริญก็อาจจะถูกนินทาได้มีสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสก็กลายเป็นทุกข์ไปก็ได้เพราะ โลกธรรมทั้งสีน่นี้มันอยู่ภายใต้กฎของอนิจจังทุกขังอนัตตามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของชั่วกราวไม่ยั่งยืนถาวรไม่คงเส้นคงวาไม่เหมือนเดิมจากสุขมันก็กลายเป็นทุกข์ได้จากเจริญก็กลายเป็นเสื่อมได้แล้วก็ไม่มีใครไปห้ามมันได้บางไปสั่งมันได้ เพราะมันไม่ได้เป็นของใครมันเป็นอนัตตาไม่มีใครเป็นเจ้าของสิ่งต่างๆเหล่านี้แม้แต่ร่างกายก็เช่นเดียวกันก็เป็นตายรักเหมือนกันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของชั่วคราวเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปไม่มีใครห้ามมันได้ไม่มีใครสั่งมันได้สั่งให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ได้ ถ้ามันไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายไม่ได้พ อ, อถึงเวลาที่มันจะแก่เจ็บตายมันก็เป็นไปตามโอกาสของมันนี่แหละคือสิ่งที่กิเลสตันหาโมหะอวิชชาจะคอยจะคอยกีดกันไม่ให้พวกเราที่มาเกิดกันนี่ได้มีสติยั้งคิดกันเลย ว่าการเกิดนี้มันเป็นทุกข์ถึงแม้ความสุขที่เราได้นี้มันก็เป็นความสุขแบบเล็กๆน้อยๆประดี๋ยวประเดาวไปเที่ยวกันก็สนุกกันพอกลับมาบ้านความสุกนั่นก็หายไปก็อยากจะออกไปเที่ยวใหม่ได้อะไรมาก็ดีใจเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวก็อยากจะได้ของใหม่เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆคือไม่ว่าจะได้อะไรมา สิ่งต่างๆในโลกนี้มันไม่ให้ความอิ่มความพอแต่มันกลับไปกระตุ้นให้เกิดความหิวความอยากให้มีเพิ่มมากขึ้นและทุกครั้งที่เกิดความอยากมันก็มาสร้างความวุ่นวายให้กับใจใจไม่สงบเพราะความอยากพออยากแล้วใจมันจะดิ้นนนกระวนกระวายกระสับกระส่ายคอยจ้องคอยดูคอยหาโอกาส ให้ได้สิ่งที่อยากได้มาถ้าไม่ได้มาก็เสียอกเสียใจถ้าได้มาก็อยู่ก็ดีใจกับมันไปเดี๋ยวเดียวแล้วเดี๋ยวมันก็ไม่ให้ความรู้สึกแบบที่ได้มาใหม่ๆทำให้รู้สึกบางทีเบื่อก็ได้หรือบางทีชอบมันอยู่แต่มันก็อาจจะหายไปก็ได้ มันล้วนแต่มีความทุกข์ทั้งนั้นในสิ่งต่ตางๆที่เราอยากได้กันอยากมีกันอยากเป็นกันแต่เรามองไม่เห็นสิ่งเหล่านี้กันเพราะเราคิดไม่เป็นกันเรามองด้านเดียวเรามองด้านสุขอย่างเดียวอันนั้นก็เป็นสุขอันนี้ก็เป็นสุขแต่ไม่เคยมองว่ามันเป็นอนิจจังมันเป็นอนัตตามันเป็นทุกข์าะเรา เพราะมันจะเปลี่ยนไปจากสุขไม่ช้าก็เร็วมันก็จะกลายเป็นทุกข์ไปเราไม่สามารถควบคุมบังคับสิ่งเหล่า น, นี้ได้นี่คือสาเหตุที่ทำให้เราต้องกลับมาเวียน่ายตายเกิดกันอยู่เรื่อยๆ น, นับจำนวนพบชาติไม่ได้มากมายกายกองนอกจากว่า นานๆทีเราจะได้มาเกิดในยุคที่มีคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ในโลกนี้จะเป็นคำสั่งคำสอนโดยตรงจากพระพุทธเจ้าก็ดีเช่นมาเกิดในยุคที่มีพระพุทธเจ้าอยู่สั่งสอนก็ดีหรือเมื่อเกิดในยุคที่ไม่มีพระพุทธเจ้าแล้วเช่นยุคนี้มีแต่คำสอนที่มีมี มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกพระคัำพีของพระพุทธศาสนาที่บันทึกพระธรรมคําสอนต่างๆที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ตลอดระยะเวลา45ปีด้วยกันคําสอนต่างๆที่พระเจ้าทรงแสดงมีการจดบันทึกกันเอาไว้มีการจดจํากันเอาไว้แล้วก็มีการเอามาถ่ายทอดกันจากยุคหนึ่งไปสู่ยุคหนึ่ง จดจํากันมาแล้วในที่สุดก็มีการบันทึกเป็นตัวอักษรกลายเป็นหนังสือขึ้นมาในยุคปัจจุบันเรามีพระมีพระไตรปิฎกเป็นที่บันทึกเป็นที่บรรจุพระธรรมคาสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าที่เราเรียนรู้เราเรียนรู้กันมาก็เรียนรู้มาจากพระไตรปิฎกจากการสั่งสอนของพระที่มาบวช ที่มาศึกษามาร่ามเรียนแล้วก็นำเอาคำสอนที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกนี้มาเผยแพร่สั่งสอนให้กับพวกเราอีกทีตั้งสติไว้นะพุโทโธไว้ดูไว้อันนี้จังของไม่เที่ยงอะไรจะเกิดให้ตั้งสติไว้ก่อนดีที่สุด ถ้าตั้งสติได้จิตเราสงบจิตจะจิตของเราจะปลอดภัยร่างกายเรามันไม่มีอะไรที่แน่นอนมันอาจจะเกิดอะไรขึ้นกับมันก็ได้หรือมันอาจจะยังไม่เกิดก็ได้แต่ในที่สุดมันก็จะต้องเกิดคือความตายของร่างกายความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายมันไม่ช้าก็เร็วก็ต้องปรากฏขึ้นมา แต่สิ่งที่เราควรที่จะรักษาก็คือใจอย่าให้ใจทุกข์ถ้าใจสงบแล้วใจจะไม่ทุกข์ใจจะสักแต่ว่ารู้ไปเฉยๆทําอะไรได้ก็ทําไปแต่อย่าทําด้วยความตื่นตระหนกทําด้วยการมีสติมีความรอบคอบทุกขั้นตอนทุกขั้นอิริยาของการกระทำ ให้มีสติไว้แล้วเหตุการณ์มันจะไม่เลวร้ายอะไรที่มันเกิดมันก็เกิดขึ้นแล้วแต่มันจะไม่มีอะไรที่เลวร้ายกว่าถ้าเรามีสติคอยควบคุมใจเราถ้าเราไม่มีสติเกิเหตุการณ์เลวร้ายขึ้นมาแล้วมันมาสร้างความตื่นสนกให้กับเราทําให้เราบางทีไปกระทําในสิ่งที่เราไม่ได้คาดฝันกันก็น ก็คือไปทำร้ายผู้อื่นโดยไม่รู้สึกตัวเช่นเวลาเกิดความตื่นตนงตกใจฝูงชนวิ่งหนีกันเหยียบกันไปตายกันไปตายเพราะไม่ใช่เพราะอุบัติเหตุตายเพราะความตื่นตนงตายเพราะไม่มีสติคอยควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายนี่คือเวลาเกิดอุบัติเหตุเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมา ขอให้เราตั้งสติไว้ก่อนเลยถ้าพุดโธได้ก็พุดโธพุดโธไปแล้วก็ใช้ปัญญาวิเคราะห์ดูในสถานการณ์ว่าควรจะทำอย่างไรที่จะทาให้มันปลอดภัยที่สุดอย่าทำด้วยความตื่นสนกเพราะความตื่นส น, นกนี้มันจะกลายเป็นภัยอีกชนิดหนึ่งที่ตามมาต่อจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น น, นี่แหละคืออ น, นิจจังโลกนี้เราเรียกว่าโลกของอ น, นิจจังรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะไม่เที่ยมเหตุการณ์เมื่อกี้เราก็ถือว่าเป็นรูปเสียงกลิ่นรสของของต้นไม้ที่มันอยู่ดีๆมันก็หักลงมาได้เพราะต้นไม้มันก็ไม่เที่ยมเหมือนกันมันเป็นอ น, นิจจังอมันก็มีเกิดแก่เจ็บตายได้เหมือนกัน น, นี่คือเราต้องพิจารณาด้วยปัญญา เราถึงจะเห็นว่าโลกที่เราอยู่กันนี้มันเป็นโลกของความทุกข์ทั้งนั้นทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงทุกข์เพราะว่าเราไปควบคุมบังคับให้มันเที่ยงไม่ได้ให้มันดีไปอย่างเดียวไม่ได้มันมีทั้งดีมีทั้งไม่ดีมีทั้งเจริญมีทั้งเสือ่อมมีทั้งเกิดมีทั้งดับถ้าเรามีปัญญาคิดแบบนี้แล้วมันจะทำให้เราเห็นโทษของการมาเกิด เราจะทำให้เราไม่อยากจะมาเกิดเหมือนกับสมัยที่พระพุทธเจ้าได้ท่งเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายเห็นนักบวชเป็นครั้งแรกพระองค์ก็เอามาคิดเลยไม่ได้เห็นเฉยๆเห็นแล้วก็น้อมกลับมาที่ตัวของพระ อ, องค์เองว่าต่อไปเราก็ต้องแก่เหมือนเขานะต่อไปเราก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนเขาต่อไปเราก็จะต้องตายเหมือนเขา ถ้าเราไม่อยากจะมาต้องมาเกิดอยู่เรื่อยๆ <c oughs> เราก็ไปบวช ด, ดีกว่าไปอยู่แบบนักบวช ด, ดีกว่าเพราะนักบวชนี่เขาจะมีครูมีอาจารย์ที่จะสอนให้เขารู้จักวิธีละงับการมาทุกข์กับการเกิดแก่เจ็บตายได้อนนี่คือเรื่องของพระพุทธศาสนาถ้าเราไม่มาเกิดในยุคที่มีพพุทธศาสนา เราจะไม่รู้เรื่องของความของของความทุกข์ที่ได้มาจากการเกิดแก่เจ็บตายเลยเราเกับจะฉลองวันเกิดกันไม่มีที่ไหนเขาฉลองเขาเขาไม่ฉลองวันเกิดกันไม่มีที่ไหนที่เขาเรียกว่าทุกข์ขังวันเกิดมีแต่สุขสุขสรรวันเกิดกันเทั้นแฮ p ป y ้เบิร์ดแต่ความจริงแล้ว วันเกิดนี้น่าจะเป็นวันที่แท้วันวันที่เศร้าโศกเสียใจมากกว่าเพราะเมื่อเกิดแล้ว เ, เห็นเด็กที่เกิดในวันนี้ต่อไปเด็กก็จะต้องแก่ลงจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยจะต้องตายจะต้องสูญเสียพัดพากับสิ่งนั้นสิ่งนี้บุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้ไปอย่างต่อเนื่องถ้ามองด้วยปัญญาแล้วก็จะเห็นว่าการเกิดนี้เป็นทุกข์ ถ้าเห็นด้ปัญญาเช่นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ส่งอยากจะไม่เกิดเสรแล้วทำยังไงถึงทำให้ไม่มาเกิดได้ก็เลยออกบวชไปศึกษาไปปฏิบัติ ก, <c oughs> ก็ได้ความรู้อย่างหนึ่งก็คือการที่จะทำใจให้ไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายก็คือต้องเข้าสมาธิทำใจให้นิ่งให้สงบ แต่สมาธินี้ยังไม่สามารถที่จะยับยั้งการเกิดได้เพราะว่าใจไม่สามารถอยู่ในสมาธิได้ตลอดเวลาต้องหาเหตุผลที่จะทำให้ใจไม่มาเกิดให้ได้ก็คือหาสาเหตุของการมาเกิดว่าเกิดจากอะไรก็ในที่สุดก็ทรงค้นพบว่าก็เกิดจากการมาตันหาภาวะตัญหาวิภาวะตัญหานี่ ก า, การอยากหาความสุขอยากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆก็ต้องมองด้วยปัญญาให้เห็นว่าความสุขที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรสนี้เป็นความสุขแบบชั่วคราวไม่ให้ความอิ่มความพอไม่ยั่งยืนถาวรต้องทำให้ใจอยากอยู่เรื่อยๆ ต, อต่อให้ได้มาได้อะไรมามากน้อยเพียงไรได้เสพมามากน้อยเพียงไรก็จะไม่อิ่มไม่พอ เป็นเหมือนยาเสพติดยิ่งเสพยิ่งทุกข์ใหญ่ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องไม่เสพมันเท่านั้นเองต้องตัดมันให้ได้ตัดการเสพรูปเสียงกลิ่นลสให้ได้ถ้าจิตมีสมาธิจิตก็จะมีกําลังหยุดความอยากจะเสพได้เวลาอยากจะเสพลูปเสียงกิ่นรสก็ใช้ปัญญาคิดจรณาว่ามันจะนําไปสู่ความทุกข์เพราะมันจะทําให้เราติดมัน พอติดแล้วก็ต้องมีมันเข้ามาเสพอยู่เรื่อยๆพอเราไม่มีมันเราก็จะทุกข์ขึ้นมาทันทีแต่ถ้าเราไม่เสพมันได้เราก็จะไม่เดือดร้อนมีรูปเสียงกิ่นรสท้ายเสพหรือไม่เราก็ไม่เดือดร้อนที่เดือดร้อนเพราะความอยากนี่อความอยากนี้ทำให้คนติดเป็นเหมือนติดยาเสพติดกันอยากอยากได้อะไรพอได้มาแล้วก็อยากจะได้ไปเรื่อยๆ พอเวลาไม่ได้ขึ้นมาก็ทุกข์ขึ้นมาทันทีแต่ถ้าไม่มีความอยากแล้วก็จะรู้สึกเฉยๆกับสิ่งต่างๆที่มีในโลกนี้คนอื่นเขาเสพกันมีความสุขกันแต่เรากับเฉยๆเรากับมีความสุขจากการอยู่เฉยๆการอยู่เฉยๆนี่แหละเป็นความสุขที่แท้จริงเพราะมันไม่เป็นพิษเป็นภัยมันไม่ทำให้เราต้องทุกข์นั่นเองแต่ความสุขที่ได้จากความอยากต่างๆนี้ มันเป็นพิษเป็นภัยเวลาที่อยากแล้วไม่ได้สิ่งที่อยากได้อันนั้นมันจะทัานความทุกข์ให้กับใจทุกทรมานแล้วมันก็จะเป็นตัวที่จะพาให้ใจนี้กลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเราหยุดความอยากได้เราก็จะไม่ต้องคอยดิ้นรนไปหาสิ่งต่างๆมาเสดมาสัมผัสเพราะการอยู่เฉยๆนี่เป็นความอิ่มความพอ ถ้าเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาเราก็จะสามารถสอนใจให้หยุดความอยากได้เมื่อเราหยุดความอยากได้แล้วใจเราก็ไม่ดิน้นอยู่เฉยๆก็มีความสุขเหมือนกับคนที่ได้เสพอะไรต่างๆก็ ม, มีความสุขแต่ใจที่ไม่ได้เสพด้วยความอยากอยู่เฉยๆได้นี่จะเป็นความสุขอย่างยังย่งยืนถาวร ถ้าความสุขจากความอยากมันจะเป็นความสุขแบบชั่วคราวที่ไม่อิ่มไม่พอที่จะต้องทำให้เสพอยู่เรื่อยๆและเวลาที่ไม่สามารถเสพได้มันก็จะทำให้ใจทุกขขึ้นมาและเวลาร่างกายตายไปมันก็จะพาให้ใจไปเกิดใหม่ไปมีร่างกายอันใหม่อยู่เรื่อยๆอวิธีที่จะแก้การมาเกิด<ม>ก็คือเราต้องหยุดความอยาก เสพกามให้ได้การจะหยุดความอยากเสพกามนี้เราก็ต้องมีปัญญาเห็นว่ากามมาคุณทั้งห้าคือรูปเสียงกลิ่นรสโถดสัพเพานี้เป็นสุขแบบชั่วคราวเป็นสุขที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นสุขที่อาจจะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาก็ได้เวลามันเป็นทุกข์ก็ทําให้เราสุขทําเป็นทุกข์เวลามันเป็นทุกข์มันก็ทําให้เราทุกข์ขึ้นมาแล้วเราก็ห้ามมันไม่ได้ พอมันชอบเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบางเวลามันก็เป็นสุขบางเวลามันก็เป็นทุกข์ถ้าเราไปติดมันเราก็จะต้องทุกข์กับมันเวลาให้มันเกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าเราไม่ไปติดมันมันจะเป็นอย่างไรเราก็ไม่เดือดร้อนมันจะสุขก็เรื่องของมันมันจะทุกข์ก็เรื่องของมันเรามีความอิ่มความพออยากการหยุดความอยากของเราให้ได้เท่านั้นเองการจะหยุดความอยากได้ต้องเห็นไตรลักษณ์ใน รูปเสียงกลิ่นรสเห็นว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงมันก็จะทำให้เราทุกเวลาที่มันเปลี่ยนไปเวลาที่มันจากเราไปให้เห็นตายักเห็นอนิจจังเราก็จะเห็นทุกเราก็จะเห็นอนัตตาว่า อ, อ๋อเราสั่งมันไม่ได้จริงๆเราสั่งให้รูปเสียงกลิ่นรสนี้ให้แต่ความสุขเราเพียงอย่างเดียวไม่ได้มันเป็นเหมือน เหมือนกับพระอาทิตย์เนี่ยมันเราจะไปสั่งให้มันอยู่ให้มันสว่างไปตลอดไม่ได้พาทิตย์มันก็มีขึ้นแล้วก็มันก็มีลงชั้นใดรูปเสียงจิตแล้วก็มีเจริญแล้วก็มีเสื่อมมีสุขแล้วก็มีทุกข์สลับกันไปสลับกันมาถ้าเราไม่ไปยึดไปติดไม่ไปอยากมันมันก็จะไม่มีความหมายสำหรับเราเราก็จะไม่เดือดร้อนเวลาที่มันเปลี่ยนจากสุขไปเป็นทุกข์ หรือมันจะหายไปเราก็ไม่เดือดร้อนเราอยู่กับความอิ่มความพอของใจที่หยุดความอยากได้นี้เท่านั้นเองอันนี้แหละเป็นวิธีการที่จะทําให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดอีกเราต้องมาฝึกสตินั่งสมาธิให้ใจมีกําลังที่จะอยู่เฉยๆให้ได้ก่อนพอเวลาจิตเข้าสมาธิแล้วจิตจะนิ่งเฉยได้ จะไม่วุ่นวายไปกับเหตุการณ์ต่างๆไม่วุ่นวายกับสิ่งต่างๆอะไรจะเกิดจะดับใจก็เฉยๆได้พอเรามีสมาธิแล้วเวลาเราออกจากสมาธิมาพอความอยากโผล่ขึ้นมาเราก็ใช้ปัญญาสอนใจว่าอย่าไปอยากนะอย่าเราจะต้องทุกข์กับสิ่งที่เราอยากเพราะสิ่งที่เราอยากได้มันเป็นของชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็จากเราไป พอมันจากไปแล้วก็ทำให้เราทุกข์ขึ้นมาหรือมันเปลี่ยนไปมันก็ทำให้เราทุกข์ขึ้นมาพอเราเห็นความไม่เที่ยงเห็นความทุกข์ในสิ่งที่เราอยากได้เราก็ไม่เอาดีกว่าเปลี่ยนใจไม่อยากดีกว่าอยู่เฉยๆดีกว่ากัง mm hmm. ที่ออกมาจากสมาธิก็ใจก็เฉยๆเย็นๆสบายเพราะยังไม่มีความอยากโผล่ขึ้นมาพอ เ, าเกิดความอยากโผล่ขึ้นมาแล้วอยู่ไม่เฉยแล้วอยู่ไม่สบายแล้ว แต่พอมีปัญญามาสอนใจว่าอย่าไปอยากที่อยู่ที่ตอนนี้อยู่ไม่สบายก็เพราะเกิดความอยากมันหลอกให้เราคิดว่าสิ่งที่เราอยากได้นั้นมันจะให้ความสุขเรามากกว่าความสุขที่เรามีอยู่ในขณะนี้แต่ความจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นถึงแม้มันจะเป็นความสุขมันก็เป็นความสุขเดียวเดียวเดียวมันก็จางหายไปและเวลามันเสื่อมมันจากเราไปมันก็จะทำให้เราเศร้าอีก แต่ถ้าเราไม่ไปอยากได้มาเราไม่เอาเขามาเราอยู่แบบไม่มีอะไรได้เราก็จะไม่เดือดร้อนกับเขาเขาจะเจริญเขาจะเสริมก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเขาจะเปลี่ยนไปก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะเราอยู่กับความไม่มีอะไรได้คือไม่อยากเราหยุดความอยากได้เราหยุดความอยากได้แล้วใจเราก็จะสบายไปตลอดแล้วเราก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไป เพราะความอยากที่จะเสก ร, รูปเสียงกลิ่นล้นมันถูกตัดไปด้วยอานาจของปัญญาและด้วยการสนับสนุนของสติของสมาธิถ้าจิตเราไม่มีสมาธินี้ถึงแม้ปัญญาจะบอกว่าให้หยุดความอยากอย่าไปทำตามความอยากแต่ใจจะไม่มีกำลังสู้ความอยากแต่ถ้ามีสมาธิทำใจให้นิ่งเฉยได้พอปัญญาบอกว่าอย่าไปทำตามความอยาก มันก็หยุดได้พอหยุดได้ความอยากที่มาสร้างความไม่สบายใจก็จะหายไปใจก็จะอยู่อย่างสงบอยู่อย่างมีความสุขโดยที่ไม่ต้องมีอะไรถ้าไม่มีความอยากแล้วใจเราจะเย็นใจเราจะสบายถ้าพอเกิดความอยากขึ้นมาเมื่อไหร่ใจเราจะกระวนกระวายกระสับกระส่ายขึ้นมาทันทีอันนี้แหละคือการที่เราจะไม่ต้องกลับมาเกิดอีก ก็เกิดต้องหยุดเหตุที่พายเรามาเกิดก็คือความอยากความอยากในรูปเสียงกลิ่นรดความอยากอยู่ไปนานๆความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายความอยากเหล่านี้เราต้องตัดไปให้มันหมดแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไปถ้าเราไม่ได้มาเกิดในยุคที่มีคําสอนของพระพุทธเจ้าเราจะไม่สามารถคิดถึงเรื่องราวเหล่านี้ได้ ถึงม้จะเป็นรู้สึเรื่องง่ายง่ายง่ายเหลือเกินแต่ถ้าเราไม่มีใครสอนเราก็จะไม่คิดกันเราก็จะคิดว่าการมาเกิดนี้ดีเกิดแล้วเราจะมีความสุขจากได้การได้เสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนั่นเองแล้วเราก็ใจกลายเป็นคนติดยาเสพติดไปติดรูปเสียงกลิ่นรสไปพอติดแล้วก็เลิกไม่ได้นอกจากมีคนที่เขาเลิกได้แล้วมาสอนเราเท่านั้นเช่นพระพุทธเจ้ากับพระอาจารย์ตาวู ที่พวกเราโช่วนี้ในพบนี้ชาตินี้ได้มาพบมาเจอกันง แ, แม้ไม่ได้เจอพระพุทธเจ้าโดยตรงก็ได้เจอตัวแทนของพระพุทธเจ้าคือพระอนันทสาวกได้พระธรรมคำสั่งคำสอนที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกนี่ขอให้เราเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ศึกษาวิธีการหยุดการมาเกิดให้ได้แล้วนําอาไปปฏิบัติ ปฏิบัติได้แล้วต่อไปเราจะได้ไม่นองมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยๆต่อไปนี่แหละคือเรื่องธรรมะที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาเพราะได้กำหนดไว้ส0สบนาทีให้กับการแสดงธรรมและอีกสาสนาทีต่อมานี้ก็จะเป็นการปฏิบัติธรรมคือการมาหยุดจิตใจมาหยุดความอยากด้วยกำลังของสมาธิถ้าเราหยุด จิตใจได้ทำจิตให้นิ่งให้สงบได้ก็เท่ากับเรามีกำลังที่จะหยุดความอยากได้เวลาเราออกจากสมาธิมาพออยากได้อะไรเราก็เห็นด้วยปัญญาว่าเป็นทุกข์ล้วก็หยุดมันได้ไม่เอาดีกว่าเอามาแล้วเป็นทุกข์อยู่กับการไม่มีอะไรดีกว่ามีอยู่กับความสงบดีกว่าอยู่กับการเฉยๆดีกว่าอยู่กับการทใจให้นิ่งเฉยไม่มีความอยากดีกว่า ถ้าเราไม่มีสมาธิเราจะไม่มีกําลังพออยากได้อะไรปุ๊บใจจะสั่นขึ้นมาทันทีใจจะหวิวขึ้นมาใจจะรู้สึกเศร้าส้อยหงอยเงาขึ้นมาทันทีแต่ถ้าเรามีสมาธิเราหยุดความอยากได้ความรู้สึกเศร้าซ้อยหงอยเงาว้าววมันก็จะหายไปทันทีอ น, นี้คือเรื่องที่เราจะมาทํากันต่อไปนี้ก็คือมาหยุดใจทําใจให้นิ่งให้สงบสมาธิแปล ว, ว่าความสงบ ตั้งมั่นของใจใจตั้งมั่นอยู่ในความสงบการที่จะทำให้ใจตั้งมั่นอยู่ในความสงบได้เราต้องมีสติเป็นผู้กากับใจควบคุมใจไม่ให้คิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้เพราะถ้าคิดแล้วใจจะไม่นิ่งไม่สงบการที่จใจจะไม่คิดได้ก็ต้องมีสติเราเลือกรู้อยู่กับอารมณ์ที่จะกล่อมใจให้นิ่งให้สงบอารมณ์ที่เราใช้กล่อมใจนี้เราเรียกว่ากรรมฐาน เช่นการบริการพุทโธพุทโธนี่เป็นกรรมฐานอย่างหนึ่งเป็นอารมณ์อย่างหนึ่งเรียกว่าพุทธานุสติหรือการดูลมหายใจเข้าออกก็เป็นอารมณ์อีกอย่างหนึ่งเรียกว่าอาณาปานสติหรือว่าการสวดมนุก็เป็นอารมณ์อีกอย่างหนึ่งเรียก ว, ว, ว่าธรรมษษษรานุสติเราสามารถใช้อารมณ์เหล่านี้เป็นเครื่องกล่อมใจให้นิ่งให้สงบได้ถ้าเราเริ่มนั่งแล้วใจเราฟุ้งมากคิดมาก ไม่สามารถใช้พุโทโธได้ไม่สามารถดูลมได้ก็ใช้การสวดมนต์ไปก่อนสวดมนต์ไปภายในใจเหมือนกับในท่าที่เรานั่งสมาธิอยู่นะเลยแทนที่จะใช้พุโทโธก็ใช้บทสวดมนต์ไปก่อนสวดไปเรื่อยๆจนกว่าจะรู้สึกใจเริ่มหายฟุ้งแล้วสามารถมาอยู่กับคาบริกรรมพุโทโธได้ก็เปลี่ยนมาอยู่ที่พุโทโธหรือสามารถมาดูลมหายใจได้ก็มาดูลมหายใจ เราสามารถใช้อย่างใดอย่างหนึ่งได้ไม่ต้องใช้ทั้งสองอย่างปนกันบางท่านชอบใช้พุโทโธควบคู่กับการดูลมหายใจอันนี้ก็สามารถทำได้เหมือนกันถ้าทำให้ถ้าทใใาทให้ใจของผู้ปฏิบัติสงบได้ก็ใช้ได้ไ<อ>แต่ถ้าไม่จำเป็นจริงๆก็ใช้อย่างเดียวจะดีกว่าพุโทโธไปอย่างเดียวหรือดูลมไปอย่างเดียวมันจะง่ายกว่าแล้วเวลานั่งนี้ก็มีอะไรมา รบกวนใจมีเสียงเข้ามามีมีเหตุการณ์อะไรเข้ามามีเรื่องราวต่างๆเข้ามาความคิดต่างๆเข้ามาก็อย่าไปสนใจให้กาะติดอยู่กับกรรมฐานที่เราใช้อยู่ถ้าเราอยากจะให้ใจนิ่งเป็นสมาธิเราต้องอยู่กับกรรมฐานเพียงอย่างเดียวในเวลาที่เรานั่งสมาธิไม่ใช่ไปสนใจกับอะไรเลยที่มาโผล่ขึ้นมาอาจจะเป็นภาพเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นอะไรก็ตาม เป็นความรู้สึกของร่างกายก็ได้เจ็บบ้างตรงนั้นเจ็บตรงนี้คันตรงนั้นคันตรงนี้อยากจ ะ, ะคือน้ำลายอะไรต่างๆอย่าไปสนใจปล่อยมันไปให้เกาะต็มอยู่กับกรรมฐานไปเพียงอย่างเดียวถ้าเราพุโทโธก็อยู่กับพุโทโธไปอย่างเดียวถ้าดูลมก็ดูลมไปอย่างเดียวอย่าทิ้งกรรมฐานแล้วเดี๋ยวกรรมฐานจะพาให้ใจเราเข้าสู่ความสงบได้ แล้วพอสงบแล้วใจเราก็จะเกิดความสุขขึ้นมาจะทำให้เราต่อไปอยู่เฉยๆได้อยู่ยังมีความสุขได้ใจที่มีสมาธินี่เวลาอยู่เฉยๆจะไม่รู้สึกเศร้าเศร้าอีกฝันเหงาไม่รู้สึกว้าเวีแต่อย่างใดแต่รู้สึกเย็นสบายมีความสุขนี่คือผลที่เราต้องการจากการนั่งสมาธิที่เราจะนั่งกันต่อไปจนหมดเวลาประมาณอีกยี่สิบห้านาทีด้วยกัน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 ถ้านั่งแล้วยังไม่สงบก็แสดงว่าสติยังมีน้อยควรจะฝึกสติเจริญสติในระหว่างวันให้มากขึ้นก่อนที่จะมานั่งสมาธิเราสามารถเจริญสติได้ตั้งแต่ตื่นจนหลับลืมตาขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธไปคอยควบคุมความคิดอย่าปล่อยให้ใจคิดเรือยเปืยแล้วต่อไปเวลานั่งสมาธิก็จะทำให้สงบได้ง่ายได้เร็วได้นานขึ้น อต่อไปนี้จะขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปูราปาริปุเรนติสาขลังเอวเมวะอิตทจินังเปตานังอุ ป, ปกาปิอิจิตังปะทิตังตุมหังคิบะเมวะสมิชะโตสาเพปเรนตุสังกะปา จันโทปนะระโสยธามะนิโชติระโสยธาสัพีติโยวิวาจันตุสัพารโขวินัสสตุมาเตภวตวันตารโยสุขีทิคาโยโกภวะอะิวะธนสีลิสะนิจังวุฒาปะจายิโน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 เพราะา ถ, าถ้ามาถามตอนที่เลิกแล้วจะไม่สะดวกที่จะตอบต้องขออภัยด้วยถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่วันนี้มีผู้รับฟังทาง Facebook 292ท่านยู u ูบพระสุชาติไลฟ์292ท่าน y youtube ดรว36ท่านวิทยุออนไลน์ online, 10ท่านค l ับเ o า s e 6ท่าน นากติร้อยหกสิบสี่ท่านรวมทั้งหมดแปดร้อยท่านครับพระอาจารย์โอเคญาติยโยมอยากจะถามคำถามหรือเปล่าไม่มีนะโอเคทีค่อยากจะถามอใครอยากจะถามไม่ยกมือขึ้นนะหรือเข้ามาที่นี่ก็ได้ถ้ายังไม่มีก็เอาทำ ถ, ถามทางบ้านก่อนมีคำถามจากทางอินบ็อกซ์นะคะคุณทวัตชัยกราบสอบถามพระอาจารย์ครับ กรมกรมชั่วที่เราทำตอนเป็นวัยรุ่นแต่ปัจจุบันเราเห็นโทษแล้วและตั้งใจไม่กระทำอีกตั้งใจจะสร้างกรรมดีกรรมชั่วที่ทำในอดีตจะส่งผลไปถึงพบหน้าไหมครับคือกรรมที่เราทำในอดีตนีไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีมันยังมี ม, มีมีโอกาสที่จะแสดงผลต่อไปข้างหน้าแต่จะมีโอกาสแสดงเมื่ อ, อไหร่นี่มันก็แล้วแต่เหตุแล้วแต่ปัจจัย เราไม่สามารถไปลบล้างกรรมในอดีตได้ข้อสองค่ะวิธีนั่งภาวนาด้วยคำบริกรรมพุโทโธเราต้องนึกนึกถึงพุโทโธไว้ตรงไหนครับตรงที่คำตรงที่คาพุโทโธนี่แหละมันต้องไปนึกถึงในส่วนของร่างกายให้อยู่กับคำพุโทโธพุธโทโธไปเรื่อยๆคุณนาวินค่ะ กัาบเรียนพระชาจารย์พระที่อ้างว่าเจอรอยพระพุทธบาทที่เมืองไทยจะถือว่าผิดศีลไหมครับอันนี้เราไม่ได้เป็นผู้พากษาต้งขออภัยด้วยอย่าไปสนใจเลยเรื่องคนอื่นเขาเขาจะผิดถูกดีชั่วเราไม่ใช่หน้าที่ของเราหน้าที่ของเรามีหน้าที่พิพากษาตัวเราเองเท่านั้นเองเราผิดเราถูกเราว่าตัวเราเองดีกว่าดีกว่าไปว่าคนอื่น คุณรักจังกุนธิดาค่ะกราบขอปัญญาจากพระอาจารย์เจ้าค่ะการที่เรามาปฏิบัติธรรมถือศีลแปที่วดัดแล้วขอพรให้ครอบครัวมีความสุขด้วยแบบนี้ได้ไหมเจ้าคะขอได้ไม่ได้มันอยู่ที่ผลที่เราทำความสุขของแต่ละคนอยู่ที่การกระทาความดีและความชั่อไม่สามารถไปขอให้คนอื่นได้ขอให้กับตัวเราได้เพียงคนเดียว ถ้าเราปฏิบัติธรรมทำความดีเราก็จะมีแต่ความสุขความจเจริญตอนนี้อย่างนม่ีโอเคนะกรรมของใครของมันทำแทนกันไม่ได้ทำบุญแทนกันไม่ได้ทำบาปแทนกันไม่ได้รับผลบุญรับผลบาปแทนกันไม่ได้ของใครของมันมันกินข้าวกินแทนกันไม่ได้บอกแม่วันนี้หนูกินแทนแม่ถ้าแม่ไม่ต้องกินหรอกนะ แม่ก็ไม่อิ่มหรอกแม่ก็ยังหิวอยู่ั้นเรื่องเรื่องการทาบุญทำทานการทำบาปมันเป็นเรื่องส่วนตัวแมก้การปฏิบัติทำให้บรรลุเป็นพระอรหันต์ก็เป็นเรื่องส่วนตัวพระพุทธเจ้าไม่สามารถมาปฏิบัติให้กับเราได้พระพุทธเจ้าเพียงแต่เป็นคนสอนเป็นคนบอกวิธีที่จะทำให้เราเป็นพระอรหันต์ถ้าเราทำตามได้ก็เราก็เป็นพระอรหันต์ได้ มีคาประจำมาอีกแล้วกล่าวพระอาจารย์คะโยมอยากทราบว่าพระอารหันต์คะทำไมถึงมีแยกเป็นปฏิสัมพิธายาณ เ, เตโชชลพินโยประเภทต่างๆแต่ละท่านทำเหตุใดไว้คะก<ำ>็มนอาจารย์เนี่ยแต่ละองค์อาจารย์บางคนก็เก่งทางสายวิทย์บางคนก็สายศิลปะ มันเป็นเรื่องความความถนัดของแต่ละคนที่เคยทามาในอดีตชาติบางคนถนดัดทางวิทยาศาสตร์มันก็ติดมากับเขาคนที่ถนดัดทางศิล ป, ปะมันก็มากับเขาเช่นเดียวกับผ้าอาหารผ้าแล้วบางท่านก็มีฤทธิ์หนึ่งท่นก็มันมันก็มากับท่านบางท่านก็เก่งทางปัญญาสอนคนเก่งบางท่านก็มีความรกชาติได้ บางท่านก็ไม่มีอะไรเลยเป็นเป็นอาหารธรรมดาธรรมดาไม่มีไม่มีความสามารถพิเศษอันนี้เกี่ยวกับพบก่อนๆที่ท่านได้สะสมมาแต่ละเรื่องแต่ละราวไม่ไม่สําคัญเพราะว่าถึงนิพพานเท่ากันหมดถ้ารับปริญญาก็ปริญญาเอกเท่ากันหมดจะมีความสามารถพิเศษติดตัวมาก็ไม่ได้มีทําให้ปริญญานี้มากกว่าคนอื่นเขาเท่ากัน เปาหมายคือขอให้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ขอให้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปท่านนั้นเองส่วนความส่วนความสามารถพิเศษก็มีไว้ถ้ามีก็เอามาใช้ช่วยเป็นเครื่องมือสอนคนได้บางคนใช้ทิลิศสอนคนพระวจนะเจ้าบางทีใช้ทิลิศสอนองค์คุลิมาองค์ุลิมานพยายามไล่ฆ่าแต่ไล่ถ้าไหลก็ไล่ไม่ทันวจ้ามีฤทธิ์ที่ทําให้องค์ุลิมาไม่สามารถวิ่งไล่ตามท่านได้ อันนี้ก็เป็นเรื่องเอามาใช้เพื่อประโยชน์ของคนอื่นเพราะพ้าอาหารนี้ท่านไม่มีอะไรที่ต้องทำสำหรับตัวท่านแล้วท่านสมบูรณ์นะแต่คนอื่นนี่บางทีต้องใช้อิทธิฤทธิ์จนถึงยาเข้าใจอ่า อ, อีกหนึ่งข้อเทค่ะตัวรู้เนี่ยค่ะแล้วทำไมพวกสัตว์พวกมแมลงอะไรอย่างเงี้ยมันมีตัวรู้อยู่ไหมคะนี่เดี๋ยวมันไม่มีปัญญาที่จะสอนตัวรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูก ตัวรู้ตัวรู้นี่เหมือนตัวรู้เฉยๆเหมือนกล้องเงนี้กล้องมันถ่ายภาพได้ใช่ไหมกล้องทุกกล้องมันถ่ายภาพได้แต่มันไม่รู้ว่ามันควรจะไปถ่ายภาพภาพแบบไหนภาพดีก็มีภาพไม่ดีก็มีอันนี้อยู่ที่คนที่จะสอนมันก็คือปัญญามีเฉพาะมนุษย์เนะคะไม่สัตสัตว์เล้อยคานสัตว์อะไรที่ที่มันมีมีดวงวิญญาณเนี่ยมันมีทุกตัวแต่เพียงแต่ว่าพวกสัตว์นี้มันมีความรู้มีปัญญาน้อย มันแยกแยกไม่ได้ว่าผิดถูกเป็นยังไงบาปบุญเป็นยังไงไม่รู้มันจะเอาแต่บาปอย่างเดียวพวกสัตว์เดรัจฉานมันเอ า, าแต่กินเขาอย่างเดียวเพราะมันหิวแต่ถ้าเป็นมนุษย์นี่มนุษย์มีคนสอนว่าเอ อ, อย่าไปทําร้ายคนอื่นนะมันบาปทําร้ายแล้วทําให้คนอื่นเขาเสียหายเดือดร้อนแล้วเราก็จะถูกไปลงโทษ อ, อ, อันนี้มีคนสอนมีปัญญามนุษย์เราถึงอยู่แบบสงบมากกว่าสัตว์เดรัจฉาน มนุษมีคนตั้งแต่เราเกิดมาพ่อแม่ก็ต้องคอยสอนคอยห้ามอยู่นะอย่าไปฆ่าเขาอย่าไปทำเขา mm hmm. ใช่ไหมแต่สัตว์เดราจฉานไม่มีใครสอนเนี่ยห mm hmm. มาแมว อ, อะไรเนี่ยมันเห็นอะไรมามันก็ตะปบทันทีถ้ามันเห็นว่าเป็นของกินได้หรือของเล่นได้เนี่ยเพราะไม่มีใครสอนคอยห้ามมันแต่ถ้าอยู่อยู่กับคนที่สอนหมาเป็นบางทีเขาก็สอนมันได้เ อ, อห้ามไม่ให้ทำนะทำอย่างนี้ทำนี้หมาที่เขามาสอนเป็นหน่วยกู้ภัยนี่ใช่ไหมมีปัญญา รู้จากแยกแยะต้องมีคนสอนและแล้วอย่างต้นไม้เนี่ยค่ะไม่มีไม่มีวิญญาณเพราะว่าอะไรที่ยังมีวิญญาณต้องมีตาหูจมูกอ๋ออาศัยอายตนะนะคะวิญญาณต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายถึงจะมาเกาะได้ถ้าต้นไม้มันไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายแต่เชื้อโรคในร่างกายมันก็ไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายแสดงว่าไม่มีไม่มีดวงวิญญาณ กินยาฆ่าเชื่อได้ไม่บาปเหมือนตัดต้นไม้ก็ไม่บาปแล้วแล้วทำไมบางทีพระที่ไปตัดต้นไม้แล้วเป็นอะไรอย่างเนี้ยคะอ๋อคนสมัยโบราณเขาเชื่อว่า<ม>ต้นไม้มีดวงวิญญาณแล้วใครไปตัดต้นไม้เดี๋ยวถูกดวงวิญญาณต้นไม้มาทำํำลายรังแค่แต่ไม่มีหรอกเจ้าค่ะข่าวเขาพ่อคุณค่ะอโอเคอันนี้ยังพักอยู่ที่วัดอยู่เหรอ ่ อ, อเดี๋ยวข้างหลังมีอีกท่านหนึ่งปวดป่าพูดต้องหัวหัวนะกลับน้ำมันการครับาอาจารย์จิตสงบมันจะมีความคิดหรือเปล่าครับถ้าสงบจริงๆมันจะไม่คิดอะไรเลยเพราะว่าบางทีมันเหมือนอะไรผุดขึ้นมาเป็นวาษาบีครับเลยงงอย่างนั้นแสดงว่ายังไม่สง บ, บถ้าสงบมันจะว่าง หายหมดความคิดต่างๆหายหมดไม่มีอะไรปรากฏใช่ไหมมีแต่สักแตรวร่ว่ารู้มีแต่ตัวรู้อยู่ตัวเดียวแล้วก็มีความสุขมิวเบคขาไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงอันนั้นคือความสงบเต็มที่ครับถ้าเบื้องต้นมันยังมีความคิดอยู่ก็ยังไม่สงบเต็มที่เริ่มเข้าสู่ความสงบเป็นขั้นๆไปครับโอเคครับนขะากลับเข้ามา กลับมามาตการค่ะอาจารย์อขอถามว่าถ้าเกิดเรานั่งสมาธิแล้วเกิดแสงสว่างแล้วเราจะอยู่ในเอาอารมณ์ตั้งอยู่ในแสงสว่างหรือว่าให้กําหนดอยู่กับที่พุทโธที่เราเริ่มต้นเดิมเอาตัวเดียวตัวที่เราใช้อยู่อะไรเนี่ยมาปรากฏจะไปเปลี่ยนมันเป็นของปลอมแล้วมันจะทําให้เราไม่สงบถ้าเราใช้ลมมันก็ดูลมไปพุทโธก็พุทโธไป อะไรจะมาเกิดขึ้นมาแสงสว่างหรืออะไรขึ้นมาก็ตามอย่าไปตามรู้ให้กลับมาอยู่ที่กรรมฐานขอบคุณค่ะ ค, คำถามจากทางเฟ e บุ๊กนะคะนมัศการพระอาจารย์ผมอยากสอบถามครับเวลาเราเจ็บปวดทางกายโดยเฉพาะบริเวณหัวซึ่งผมเป็นอาการปวดหัวที่รุนแรงผมกำหนดรู้ ว่าความเจ็บปวดมาแล้วและไม่ให้จิตเจ็บไปด้วยครับซึ่งก็พอใช้ได้แต่อยากสอบถามครับเวลาเราเจ็บปวดเราควรทำสมาธิไหมครับเพราะบางทีรู้สึกว่ามันเพราะบางทีรู้สึกว่ามันรู้สึกเจ็บกว่าเดิมครับแต่ไม่แน่ใจผมกินยารักษาโรคนี้อยู่บางทียาเอาไม่อยู่ครับคือแล้วแต่เราว่าเราใช้อะไรได้ถ้าใช้สมาธิได้เราก็ใช้สมาธิ ถ้าใช้ปัญญาได้ก็ใช้ปัญญาไปสมาธิก็พยายามทำใจให้นิ่งแล้วเราจิตก็จะไม่รับรู้อาการเจ็บปวดของร่างกายได้ชั่วคราวเมื่อว่าถ้าเราจะใช้ปัญญาเราก็สอนสอนใจว่าเราอย่าไปกลัวความเจ็บเราอย่าไปอยากให้มันความเจ็บหายไปเราหัดอยู่กับความเจ็บให้ได้แล้วใจเราจะไม่ทุกข์กับมันแต่เราไม่ไปเราไม่ได้ไปรักษาวความเจ็บให้หายของร่างกายได้ มันต้องเป็นไปตามกฎอันนี้จังมันเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็ดับไปเองคำถามต่อไปค่ะวันนี้หนูลองนั่งสมาธิแล้วดูวงแสงที่เกิดขึ้นมีสีเหลืองบ้างสีขาวสว่างบ้างใจสงบมากค่ะสามารถละอาการทางกายที่อยากคืนน้ำลายและอื่นๆได้แต่แสงเหล่านั้นเกิดขึ้นมาเราก็หายไปแล้สักพักก็เกิดขึ้นมาใหม่สลับกันไปแต่ใจรู้สึกสงบมากค่ะ เวลาเห็นวงแสงเหล่านั้นแบบนี้ปฏิบัติถูกทางแล้วไหมคะหรือต้องแก้อะไรอย่างไรไหมคะยังไม่ถูกเลย อ, อย่าไปตามแสงอย่าไปดูแสงให้ดูกลับมาฐานที่เราใช้ตอนที่เราเริ่มต้นถ้าเราใช้พุทโธก็กลับมาที่พุทโธต่อไปเพราะว่ามันยังไม่สงบเต็มที่ถ้าสงบเต็มที่แล้วมันจะไม่มีอะไรมันจะว่างเหมือนท้องฟ้าว่างๆจากทาง youtube ค่ะกลับเยนถามพระอาจารย์ เวลาที่พระอาจารย์กำหนดว่าจะนั่งสมาธิ30นาทีพอถึงเวลาหยุดถอนจากสมาธิจะรู้สึก30นาทีทุกครั้งถ้าไปทำเองจะทำอย่างไรครับขอคำแนะนำด้วยครับถ้าเรามีความจำเป็นจะต้อ ง, ต, อ ง, ต, องต้องมีเวลาเลิกเราก็ต้องตัง้งนาฬิกาปลุกไว้ถึงเวลาต้องไปทำงานเราก็จะได้ออกจากสมาธิได้ แต่ถ้าเราไม่มีความจําเป็นจะต้องไปทําอะไรในช่วงที่เรานั่งสมาธิก็ไม่ไปอย่าไปตั้งเวลาให้มันสงบไปให้นานที่สุดตามความตามเหตุตามผลของมันนะถ้ามันสงบได้นานก็ยิ่งดีงเวลานั่งสมาธิไม่ควรที่จะมีเรื่องเรื่องเวลามาเกี่ยวข้องจะดีกว่านั่งได้นานไม่นานนี้ขึ้นอยู่กับสติของเราถ้าวัานัหนสติดีนั่งปับ๊บสงบปับ๊บแล้วก็นิ่งไปนานเลย เ อ, อาไม้ทีโอ้ยชั่วโมงผ่านไปแนละ้วด่วดวเร็วงั้นถ้าจะนั่งให้ทางปฏิบัติจริงๆเราให้ตั้งสติอย่าอย่าไปตั้งเวลานอกจากว่าเรามีความจำเป็นจะต้องไปทำกิจอะไรจำเป็นเราก็ต้องตั้งเวลาไว้ไม่งั้นเดี๋ยวเราจะเสียภารกิจนั้นได้คำถามต่อไปค่ะกลับนามาส ก, การเรียนถามครับการนำเอกกคตตาร่วมกับวิปัสสนากันได้อย่างไรครับ เมันคนละเรื่องกันเอกขตาจะเป็นความสงบของจิตจิตนิ่งก็จะจิตเป็นหนึ่งจิตจะไม่คิดปรุงแต่งจะวิปัสสนานี้ต้องรอออกจากเอกขัตาก่อนเอามาสู่จิตปกติก่อนเอามาเริ่มคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ให้คิดไปทางปัญญาคิดว่าทุกอย่างเป็นทุกข์ไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราเดี๋ยวมีท่านรออยู่ข้างหลังนคนเมื่อกี้เส้นแปะเมื่อกี้ยังอยากจะถามต่ออ่ะ เียอยากจะถามต่อป่ะคนผู้หญิงนี่ก่อนนี่คนที่สายบ้านนี้ไม่ไม่ถามแล้วนะโอเคอ่าเชิญเดียจะรอถามกาพ้าอาจารย์ครับคารวะธรรมดาผู้ชนธรรมดาสามารถปฏิบัติธรรมบรรลุถึงดิพานได้หรือเปล่าครับได้ถ้าข้ากิเลสได้หมดก็ถึงนี่พานได้เหมือนกันถ้ายังเสพกาบอยู่ล่ะครับถ้ายังเสพกาบก็ยังมีกิเลสเลย ต้องตัดหมดไม่เสพการไม่เสพอะไรทั้งนั้นแม้แต่ชาญก็ไม่เสพถ้าเป็นผัวเมียกันก็ห้ามมีอะไรกันใช่ไหมครับฮะถ้าเป็นถ้าเป็นผัวเมียกันก็ห้ามมีอะไรกันใช่ไหมครับก็ต้องไปบวชกันคนละวัดกันอยู่คนละที่กัน ย, ยังไม่มีคําถาม ก็มีเรื่องของลูกศิษย์หลงปู่มั่นคนหนึ่งชื่อหลวงปู่พรมตอนมันคาราวะก็เข้าวัดกับภรรยาไปถือศีลแปดเป็นประจำจนมันหนึ่งใจพร้อมที่จะไปบวช ด, ด้วยกันก็เลยสละสมบัติประกาศบอกชาวบ้านเคาอยากจะได้วัวได้ควายได้นาได้อะไรเขาไม่มีลูกหลานก็มาขอรับไปได้เขาจะไปบวชแล้วเขาก็ไปบวชแยกกันแบภรรยาก็ไปอยู่วัดหนึ่งหลวงปู่ท่านก็ไป ติ ด, ต, ดติดตามไปเรียนกับหลวงปู่มั่นตน น, นที่สท่านก็บรรลุเป็นพระอารหันต์ขึ้นมาคนที่ไปบวชนี้ต้องเบื่อกามแล้วเบื่อเบื่อกราร ม, มีคู่ครองล้วพอเห็นมันเป็นทุกข์มีอะไรแล้วต้องมาคอยกังวลห่วงใ ย, ยเขามันจะเป็นตัวที่จะทำให้เราไปไม่ได้ถ้าเราไม่มีอะไรมาเหนียวล้างไม่มีอะไรต้องมาคอยห่วงคอยกังวลเราก็จะไปได้อย่างง่ายดายและร ว, วดเร็วงั้น ถ้าหลานทั้งหมดนี้เขาไปไปคนเดียวทั้งนั้นอะ่ะอบุตจาก็สละราชสมบัติสละลูกเมียแล้วก็ไปบวชถ้ายังเป็นฆราวาสอยู่มันก็ยากแต่ก็เป็นได้แต่คร า, าวาสพิเศษไงคือเป็นคร า, าวาสที่เป็นโสดอย่างเงี้ยอยู่คนเดียวอยู่แล้วแต่ถ้าคร า, าวาสที่มีผัวมีเมียมีลูกนี่มันยากมันตัดไม่ได้เข้าใจไหยโอเค มีจากทางอินบ็อกซ์ค่ะกับเรียนสอบถามพระอาจารย์ครับจากเหตุการณ์น้าท่วมมีผลทําให้บ้านญาติบ้านญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านของผมเกิดการสูญเสียทรัพย์สินบางครอบครัวต้องมาทุกข์ใจกับการจากไปของญาติพี่น้องจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดถึงควรนําธรรมะโอสถแบบใดมาดูแลจิตใจในสภาวะที่ต้องมาเจอกับการสูญเสียแบบนี้ครับ พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราคิดอยู่เรื่อยๆเตือนใจเราอยู่เรื่อยๆว่าเรามีการพัดพลาดจากกันเป็นธรรมดางลงพนการพัดพลาดจากกันไปไม่ได้คนที่อยู่กับเราวันนี้พรุ่งนี้เขาอาจจะไม่อยู่กับเราก็ได้ทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองที่เราไม่อยู่ในวันนี้อาจจะไม่อยู่กับเราในวันพรุ่งนี้ก็ได้ให้คิดอย่างนี้ถ้าคิดอย่างนี้มันจะเตรียมใจไว้ก่อนพอเกิดเหตุการณ์ขึ้นก็จะไม่เศร้าโศกเสียใจคุณชาตรีค่ะ หลับสอบถามพระอาจารย์ครับผมเคยนั่งสมาธิแล้วจิตรวมเข้าสู่ความสงบรู้สึกสุขมากสบายเบาโล่งสว่างจ้าแต่ทรงอยู่แค่วันเดียวก็หายอยากทราบว่าทำยังไงถึงจะรักษาไวน้นานๆครับก็ทำแบบเดียวกับที่เราทำที่ทำให้มันเกิดขึ้นมาถึงบอกเรื่อยๆว่าเวลาเลิกก่อนจะนั่งก่อนจะเลิกสมาธินี่ก่อนจะเลิกนั่งนี่ให้สังเกตดูถ้าจิตเราสงบดีให้ดูจาวิธีไว้ เอาข่าวหน้าเราก็จะได้ใช้วิธีเดิมได้ไม่มีคำถามแล้วนะมีใครอยากจะถามอีกไหมอ้าวถ้าไม่มีก็เอาท่านนี้ก่อนนะสำหรับวันนี้ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิษพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ